แ <Peter> ต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ลอนดอนครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสามคนของพวกเขาไมเคิลจอร์นและลูกคนโตเวนดี้เธอเป็นเด็กที่ดีมากเอาใจใส่ดูแลพี่น้องเสมอพวกเขามีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงตัวนี้ก็คือหมาตัวใหญ่ชื่อนานนา ฉันอยากให้ปีตาแพนมาที่นี่ปีตาแพนกับตันฮุกทิงเกอร์วันถัดมาคุณนายกับคุณดาลลิงก็กำลังจะออกไปงานสังสงรรค์โจนไมเคิลเวนดีเราจะไปกันแล้วเด็กทุกคนลงมาและก็กอดกับพ่อแม่ <S <S เด็กๆ ก, กลับไปที่ห้องนอนและไปนอน ไม่นานหลังจากนั้นก็มีแสงกระทบหลังค่ะปีตาแพนกับทิงกะเบลกลับมาปีตาแพนค่อยๆเปิดหน้าต่างและเข้าบ้านไปทิงกเบลเริ่มที่จะบินทั่วมุมบ้าน ท, ทนชชําเสียงดังทําของหล่นจะเสียงดังซิเดี๋ยวตื่นกันหมดทิงกเบลเปิดลิ้นชัก <c oughs> ที่เงาของปีตาแพน์ซ่อนตัวอยู่และพีตาแพนก็จับเงานั้นไว้มา ฉันจะมัดนายเข้าอีกปีตาแพนพยายามที่จะมัดเงาของเขาเข้าตัวแต่เขาทําไม่ได้อย่าขยับสิเวนดี้ตื่นขึ้นมาแล้วยืนดูปีตาแพนอย่างอ้าปากค้างไม่นะอดนั่นไงมาทําอะไรที่นี่ฉันปีตาแพนฉันพยายามจะเย็บเงาเข้าตัวส่งมาฉันทาเองเวนดี้เริ่มเย็บมันด้วยเข็มกับได้ในขณะที่เวนดี้ทาแบบนั้น ปีเตอร์แพนก็เล่าเรื่องเนเวอร์แลนด์ให้เธอฟังเขาอยู่ที่เนเวอร์แลนด์กับเด็กๆที่สูญหายเขาเป็นกัปตันของเด็กพวกนั้นเขาเล่าเรื่องเด็กๆให้เวนดี้ฟังทิงเกเบลก็เริ่มหึงพวกเขาทันทีอ๋อว้วาวเธอมีชีวิตที่มีแต่การผจญภัยจริงนะอยากจะไปกับฉันไหมไปได้เหรอน้องฉันไปได้ไหมล่ะเออได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะเธอจะได้ไปเป็นแม่ให้เด็กๆ เ, เล่านิทานกอดนอนให้ฟัง ตกลงตอนนี้เงาของเธอจะหนีไปไม่ได้ฉันจะปลุกจอรนกับไมเคิลขอบคุณนะเวนดี้ปีเตอร์ให้สร้อยคอวอลนักับเวนดี้เป็นการขอบคุณเวนดี้แนะนําให้จอรนกับไมเคิลรู้จักปีเตอร์แอนทั้งสองคนดีใจมากที่ได้เห็นปีเตอร์แอนเร็วเข้าเราเริ่มบินกันเถอะมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลแต่เราบินไม่ได้ง่ายจะตายเธอก็แค่เชื่อมัน่น แล้วก็ใช้ผงพิกซี่หน่อยมานี่เลยทิงทิงกระเบลโปรยผงพิกซี่ใส่ตัวพวกเขาด้วยความลังเละพร้อมบินนะพร้อมโอเคงั้นไปกันเลยและพวกเขาก็เริ่มเดินทางพวกเขาเดินผ่านสะพานลอนดอนระหว่างทางรวมไปถึงหอนาฬิกาและไม่นานก็บินเหนือเมฆในตอนเช้าเมื่อแสงอาทิตย์ส่อง พวกเขาเห็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่นานพวกเขาก็เห็นเนเวอร์แลนด์พวกเขายืนบนเมฆนิ่มเพื่อดูวิวมันสวยมากเลยดูนั่นสิน่านน้ำน่างเงือกปีเตอร์ควันนั้นมาจากไหนเหรอนั่นคือแคมป์อิเดียแดงแล้วนายก็อย่าลืมเรือจอลลี่โรเจอร์ เรื่องที่กับตันฮุกกับโจรสลักของพวกเขาอยู่เขาเป็นกับตันที่โหดร้ายที่สุดแต่เขากลับกลัวจระเข้ทําไมล่ะตอนที่ฉันเคยทะเลาะกับฮุกฉันเอาดาบของฉันฟันมือฮุกอจระเข้ก็กัดมือเขาและเพราะว่ามันชอบรสชาติของมือของเขามากมันก็เลยตามฮุกไปเพื่อจะกินเขาแต่ฮุกโชคดีมากที่จระเข้กินาฬิกาเข้าไปด้วยมันจะดักติ๊กตอกติ๊กตอกและมันจะทําให้ฮุกรู้เมื่อมันเข้ามาใกล้ ตอนนั้นโจรสลัดคนหนึ่งก็เห็นพวกเขาในกล้องส่องทางไกลกับตันกับตันผมเห็นปีเตอร์พานกับเพื่อนของมันกับตันฮุกรีบขึ้นมาและคว้ากล้องไปส่องเองเตรียมกล้องไว้เล่นปีเตอร์ยิงยิงยิงครั้งนี้ฉันจะไม่ให้มันรอดแนะ่ดูสิลูกบอลลอยมาเล่นกับมันกันไม่ใช่บอล นั่นคือลูกปืนใหญ่แยกทางหน่อยทิงพาเด็กๆไปที่ปลอดภัยฉันจะจัดการกับฮุกเองทิงกระเบลได้โอกาสกำจัดเวนดี้เวนดี้เธออยู่ดี่นะเดี๋ยวฉันกลับมาโอเครวงด้วยนะเธอจับมือจอนกับไมเคิลเอาไว้แล้วพาพวกเขาไปที่ชายฝั่งในขณะที่เวนดี้ได้แต่หลบลูกปืนใหญ่ปีเตอรแพรก็พุ่งไปหากับตันฮุกทันที หุกอยากจะมือขาดอีกข้างใช่ไหมมาสิจับฉันให้ได้ฮุกเอาปืนออกมายิงเขาปีเตอร์หลบกระสุนอย่างคล่องแคล่วว่องไวทิงเกเบลเรียกให้เด็กที่สูญหายมาช่วยทั้งหมดมีกันห้าคนทูเทนิปส์สไลลี่เคอรี่และทวินเด็กๆปีเตอร์สัง่งให้ฉันฆ่าเวนนี่เราต้องฟังคำสั่งของปีเตอร์และไปที่เป้าเลย ทุกคนเล่งธนูไปที่เวนดี้เวนดี้ยังตามหาทุกคนไม่เจอปีเตอร์เพนจอนไมเคิลทิงเกอร์เบลพวกเธออยู่ไหนนิปยิงธนูเข้าหน้าอกเวนดี้และเวนดี้ก็เลยหล่นลงมาในป่าเด็กทุกคนวิ่งไปหาเวนดี้กับทิงเกอร์เบลไอคีคลอด ไปที่ใช้ฟังซิโอเคถ้าขอมาก็จะให้ปีเตอร์แพรนกระโดดลงบนพื้นพร้อมกับดาบพวกเขาฟันดาบกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเสียงนั้นทําให้กับ<อ>ตันฮุกหลอนมันมาแล้วมันกลับมาแล้วจร์เขตสุดหิวรีบไปกระโจนจะกินกับตันฮุกกับตันฮุกกลัวเลยเรียกหนีไปที่เรือว้าว ผู้หญิงนี่สวยด้วยถึงโกทำไมต้องสั่งให้เราฆ่าเธอปีตาแพนลงมากับจอร์และไมเคิลเกิดอะไรขึ้นกับเธอเพระยิงธนูนี่ทิงเกร์เบลรีบไปหลบในต้นไม้ทิงเกอเบลบอกเราว่านายสั่งให้เราฆ่าเธอหลอกเราเลยโอ้ทิงเกไม่ว่าเธออยู่ไหนให้เธออยู่นั่นไปเลยอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกอ๋เวนดี้ เป็นอะไรขึ้นกับเธอลืมตาสิปีเตอร์ดึงลูกศร อ, ออกมาจากหน้าอกและเห็นว่ามันไม่มีเลือดมันไปโดนสร้ยคอวอนัทที่เขาให้เวนดี้เวนดี้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาทีละนิดปีเตอร์ฉันหาเธอไปทั่วเลยฉันอยู่นี่ไงไปที่บ้านกันทำไมไม่เล่านิทานก่อนนอนให้เราฟังละ่ะแน่นอนฉันเจอ เล่าเรื่องซินเดอเรละลาให้ฟังเย่เย่ฮูเล่วันถัดไปพวกเขาไปเที่ยวหน้าน้ําหนางเงือกกันนางเงือก ส, สวยเหล่านั้นคือเพื่อนของปีเตอร์ท่านใด น, นั้นมีเด็กชายคนหนึ่งตะโกนโจนสลดัดหาที่ซ่อนทุกคนซ่อนหลังหินปีเตอร์กับเวนดี้เห็นว่าคนพวกนั้นจับตัวไทเกรซิลลี่เจ้าหญิงอีเดแดงโจรสลัดทิ้งเธอเอาไว้ที่หน้า้น้ำ โอ้ oh, ไม่นะนั่นทริเกตลิลลี่นี่ฉันต้องช่วยเธอปีเตอร์เรียนเสียงกับตันฮุกปล่อยเธอซะแต่กับตันบอกเราให้จับเธอมาที่นี่ปล่อยไปซะไองโง่มันคือแผนในการจับปีเตอร์แผนของฉันพอได้เลยกับตันพวกเขาปล่อยตัวลิลลี่และเธอก็รีบกลับไปที่แคมป์ของเธออย่างเร็วเมื่อกับตันฮุกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขารู้ทันทีว่ามันเป็นฝีมือของปีเตอร์และเขากโกรธมากพอกันทีฉันจะสั่งสอนมันให้สาสมฉันกำลังจะไปหาหนายปีเตอร์แพนคืนนั้นเวนดี้เล่าเรื่องเด็กสามคนที่หนีพ่อแม่และบินมาเนเวอร์แลนด์ให้เด็กๆฟังแม่กับพ่อของพวกเขาคิดถึงพวกเขามากเด็กๆรักเนเวอร์แลนด์แต่พวกเขาไม่เคยลืมบ้านนี่มันเรื่องราวของเรานี่ ใช่มันคือเรื่องราวของเราเองบางทีพ่อแม่จะลืมลูกเด็กเด็กคนอื่นเลยเข้ามาแทนที่พ่อแม่ของเราเน่าจะรอเราอยู่แน่เราควรกลับบ้านเราจะไปการพรุ่งนี้เช้าแล้วใครจะเล่าเรื่องให้เราฟังล่ะทำไมไม่ไปกับเราล่ะไปอยู่กับเราได้นะเย้ yeah! จะดีแน่ที่จะมีครอบครัวเย้ฮูเล่เย่พีเตร์ ไม่อยากจะไปกับเราเหรออีกไม่นานพวกเธอจะโตฉันอยากจะเป็นเด็กตลอดไปฉันไม่อยากจะอยู่ที่ที่จะต้องฟังคำสั่งผู้ใหญ่ปีเตอร์แผนเศร้าเพราะเพื่อนเขาจะจากไปในวันรุ่งขึ้นและเขาจะตัวคนเดียวเช้าถัดมาเด็กๆออกจากบ้านปีเตอร์ก็ไม่ได้ไปส่งพวกเขากับตันฮุกกับลูกน้องซ่อนอยู่ใกล้ๆพวกเขาจับเด็กทุกคนจับมัดเอาไว้ ออาไปขังที่เรือโจรสลัดทิงเกร์เบลเห็นพวกเขาจากต้นไม้พระเจ้าปีเตอร์ล่ะฉันต้องเตือนเขาปีเตอร์ปีเตอร์เธออยู่ไหนปีเตอร์มีอะไรทิงเกอร์ไปเร็วไปช่วยเพื่อนเราโจรสลัดจับพวกเขาอ๋อโอเคงั้นไปจกกัดการกับตันฮุกให้จอระแค่กินกันเด็กๆถูกมัดรวมกันไว้บนเรือโจรสลัด พวกนายจะต้องไปอาหารเที่ยงให้จระเข้จนอิ่มท้องนางจระเข้จะได้ให้อาภัยฉันฉันจัดการนายแน่ฮกุกทั้ง2ประทัดดาบกับปีเตอร์ปีเตอร์ชนะอีกครั้งแล้วเหวี่ยงกับตันลงทะเลเ<อ>จระเข้กลืนกับตันเข้าไปทั้งตัวและนั่นคือจุดจบของกับตันฮกุกทิงเกเบลปล่อยตัวเด็ก และพวกเขาก็ยืนรอบปีเตอร์เธอกล้าหานมาปีเตอร์เหมือนกับพระเอกในหนังทุกเรื่องเลยฉันจะเล่าเรื่องของเธอให้เด็กๆฟังทั้งหมดอ๋อเป็นเกียรติจริงๆหรือ เ, เข้าเตรียมตัวไปได้แล้วหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วล่ะปีเตอร์ไปกับเราเถอะฉันคือปีเตอร์แพนที่มีเคยโตฉันจะช่วยพวกเธอจนไปถึงบ้านเย้ พวกเขาออกเดินทางไปลอนดอนพ่อแม่ของเวนดี้ดีใจมากที่ได้เห็นลูกๆอีกคุณกับคุณนายดัลลิงก็สเวนดี้จอห์นและไมเคิลว่าแล้ววัวนหนึ่งพวกลูกต้องกลับาพ่อคิดถึงทุกคนมากๆเลยแล้วเด็กพวกนี้คือใครพวกเขาคือเด็กที่สูญหายทูเทลนิพสสไลลี่เคลลี่และทวินพวกเขามาจากเนิร์วแลนด์มาอยู่กับเราให้พวกเขาอยู่กับเราได้ไหมได้แน่นอน โอ้เล่อ้โหพีเตอร์ลอยอยู่หน้าหน้าต่างพีเตอร์ไม่อยากจะเปลี่ยนใจเหรอฉันจะอยู่ที่เนวเวอร์แลนด์ที่ที่ฉันจะไม่เติบโตและก่อนนะเราจะคิดถึงเธอบายเวดีบายทุกคนอย่าลืมฉันล่ะพีเตอร์แพนกับทิงเกเบลก็เลยบินกลับไปเนวเวอร์แลนด์